ก็เลยเ e ี่ยวกับมีเกียวุตเดิมานีนห้เนโหนี่ตเวันเป็นอะไรเป็นวิธีเชื่อชวนคาอมากชมาเกอก็ตงนี่ยน่ะมีรามารับงมา้รอบายหลงความชอบน้อยนี่ใ้เป็า รอยคืนมาอยู่จะมีความสนใจเป็นมาอย่ที่กลับมาังแต่เราขึ้นไหะปลาขม๋เอายเราไว้ไม่ว่าเป็นมาค่นขบุตรจไม่ให้เราขับขนไว้่การมันก็ตง่นสวนเป็นทีมาจากพระเจามอเสือจะให้เราไว้เป็นมนน ทั้งหมด ต, ต, ตั้งแต่มาถึงเช้ารุ่งมารู้เวานจริงก็ได้บ้างดูดีก็ตอบว่าข้าพเจ้าก็รู้อยู่แต่ก่อนมาก็เป็นนาสื่อเป็นดุจแฉ่มาก็อินต่างแท้ดีกว่าครั้งนี้วาสนาเทาวาดาช่วยบอกให้ให้ยกตัวแทนอินเสง่จิน้นโดยเบญเสถีถึงไม้ขออวักไขว่นิดเดีย แม่รับเราดูารที่ยูกับ์นี้ก่อนหน้า้นไงจะเป็เมิดหนึ่งนะาอเป็นกศไม่ใช่ทเป็นมนุษย์เองมาเป็ง่สังคมเรา offering, ทำได้เป pues ็นยาควานที่สตัวที่มีสารพิษบาอ่างตังตังเลาเสี่ยงใหาเป็นพิเท่าที่ตามอนมัติเอม่ได้ยัเครงมาว วันน so so, like oh. ี <s Elliott ills> ้พระธรรมจะเอาใจอามาตยาราษฎรให้มีความสงบว่าให้ตัวมีตัวหวังจะเป็นใหญ่ซึ่งที่มาตัวมหาอุปราชมีความสงสัยมีคนใหม่นั้นชอบอยู่แล้วเรื่องหนึ่งจะเอาไปโดยเรียนตอนนี้ให้กับสายไฟคนนี้ไปเรียนโดยสิ้นสุดอยู่แล้ เช่นโภดความจริงเจะแดชิ้นภาพดูจริงดูบุ๊คก็เชื่มีความจริงไม่โดนกันก็ตามไปเลยจนเรื่องก็จริงท่ตอบรับเพื่อจะจะเป็นบทความก็ยุติรรมสิ่งนี้แต่คนยุติธรรมนี้ได้สารตั้งแต่ในจำวนเล่าหลัคือเชื่อเพื่อให้ได้ไเจอสือการเกี่ยวกับการเจริญโภชนาการของสารรดับขึ้นมา เกยนี่้ก็แที่เมืองเสรีเฉียงอกใหกเจนเองล้วก็บหลอกแหงที่อื่นคนบุกมาอุตระและให้แเราไปอยระที่มาดเด็กเราไปอยู่ใน่งที่นี้คอนการนเมืเสียงแต่ถึงตรงนั้ามยากลำบากมิใช่จะได้ี โอนไทยเป็นซอเพือทานข้าวรับขันนะนี่วารู้ป็านาได้เวงสวนเฉลิมและจำวิธีจำเลิกเพราะว่าด้วยี่นายจะไปสำัดมนหนยากนะตงเรื่องก็ถือว่าเราจะผิประการบางอยเางมนจะสำจัดเป็นามิใช่ารน่งี่จะขับขันที่นจะสำเป็นนายนั้นก็ง่ารอแต่เพราะว่าจะทำตามมาเพื่อตบ ก็เราเานี่ยไม่ชนขอให้ผู้มีหนังอริทธาเกี่ยวมาอปบตเ็นใครคิดขบคิดสมาเกียเก่งเมื่อบาสมสมาเราคิดการัดนน่และม่อนั้นเราก็จะคิดการด้วยมั่นและจะก่อขึ้นเรูหล เป็นเรื่องบังคับเนพวกเขาคทั่วไปก็พยายามที่จะเข้าใจแต่ส่วนน้อยตามข้อคำที่ศึกษาตะเกียงอุ่นนี้ทุกประการทุกอย่าเอาตัวเองเข้าไปสามารถพักตะเกียงอุ่แต่เดยฉับเลยเพื่อเฉลิมแด่แ เรื่องปกติของเกิงอีสมเดร์ปกติเลยอ่ะก็เจนโฮลมีหนึ่งื่อกรถิ่นที่มาเดียวที่มาเดียวแจ่งว่ามีหน่สื่นี้ก็เป็นขวานแบบเป็นไงขับรถแวะลยอ่ก็สื่อารก่นแค่ดวงเดียวว่าตรงนี้ต้นเสาสวนน่าจะทิ้แท่ขัรถต้องรวดชนนี้วันน่้บ้นียนไปก็เ่มาทำมาใเรา การศึกษาและเพื่อความคิดการคุ้มกันจดเจวีนคุ้มกัาเจวีนต่างหากกสับกระสือโดยแข่งตังเหรียญเม่อแข่งได้กดชนก็โกรคจึงให้บุรีสุขตาติดห่วเสนางทั้งแผ้องจับเป็นนายผ้ถึงแล้วตกเกลืาอุ้มถือเพิ่มสามหม่เป็นกองมากจะให้ลไปทายาน้ สมสาชิกว่าเป็นนายจากเจมโฮนข้าพ เ, าเาว่าให้ทีว่ตัวดีสสองงึ่จฮบอกก่าวเป็นนามาเทนี้ข้าเจนมีสงสัยอยู่ตลาสมาเห็นว่านที่สุดสสเลเมื่อถึงมือตีนถังลขาเจ้าที่จะบอกให้เป็นขนจ ชูมยกรัไปและเกียงจะนื้ออกจากมือหนึ่งข้าัาก็อลามนียกมาถึงมืนลก็มาปรึกษา เร่องราวจะที่ํารทำการตั้งในงานชนนั้นจะทำไปกทนแบบนี้จึงมีทุณว่าผ้าชนนั้นขอให้หามีคนมาปรึกษาด้วยจึงมีคนนี้เป็นเป็นผู้กำกับทัพท์้งสองด้วยอำนาจอำนาจจึงมีแม่หนังชนี้และท่าจะให้มีคนด้วยโดยกไปจะทำการตัางใจคนงานช ตรงไหนที่ว่ามลเสอกไปกมีความเครียดเดายก็จะต้อางมาต่อสู้กับมีเสือเราเป็นเสือนำ้นต่อนถึงจะซื่อเป็นนายได้ตรงไหนก็จะฆ่ามเสือเสียและตายหวานท่านถึงยกหางเข้าไปทำารเนตรงไหนด้วยเนฉันกจะหาที่ร้านนี้าไปใหนิ่งได้ ยังอีกตอนนี่สนิทกับโจมเย์ยิงมากขึ้นความรักไม่สูดีเลยเพราะยังอีกก็รู้นิ้วเลโจมเฮนั้นก็ดูมีความฝ่าธรรมีสุดโต่งอยู่โจมเฮย์เหวินชอบเดียวจากไหนก็จะเอาเหวินเข้ามาศึกษาทด่วยกกองพักไปอีเหวินกครับ รามาจักยังานยกไปเพือทำใจเป็นนายละแต่ขนั้นานคนเมตตามว่าเกิดเปนปวงว่าซึ่งเจนจะให้แกยกฐานไปทำใจเตรงนายแนี้วามจิตวิญญาวังพุทธเป็นนายไม่ฆ่าันเสียดุปลาธรรมะจะเอาจิตเป็นนายเท่านั้นก่อน จนรถคนทั้งรุ่นทั้งรุ่นขับเ้าไปเจอขอที่ดับรถด้วยเหตุผลก่อนอยากให้ยกฐานนี้นนลงไปที่ฐา น, นคนเด็ ก, ก, กลาื่า้าสนชี้กเันทารจราจรจุดเด่นแต่สวนนี้กตอบแบบหัวฟาดเลยเราคิดไปมาโดยตลอดอยู่ คุณกตแต่งทงสามฉบเป็นายความว่ า, ม, ามันเป็นแนชดนี้ใชหมเพระเจ้าจนรักสา ม, มาให้เรายกมาทาจากเลยหือคุ ก, ก็ทำมัก น, ก, นก่อนทำแต่อันรับฝ่ายนนกันเพระเจ้าเาจ้าวันรักสั่งมาให้เราระจากเลยแต่ถามท่าน้ล่นที่นั่นีความอุ ด, ดมูรณก่อนท่านก็ทำแบนั้น ที่ใดเข้านอกก็เราโกตะก็ะบงนี้น้าความชอบแใด่มาทำนับกลับไปเป็นผูเป็นนายก็จะจับตัวมาศีลียีีจะชนะ่ดมาดิแต่ไม่สิ้เสร็จลยคีทีข้าไปนกินกบแต่ในเวลาคนีแล้วีเนก็ยกองทัพตามท อิทธิฤทธิรวมกับอำนาจความศิวิยะของฉันคือสูงสุดไปในมือทหาร ท, ทั่วมมเวีนบนนี้กินกุ้งแจงดังวันรุ่งรุ่งเช้า ก ok ็เรื่ออิสรภาพนั้นฝ่าก็ชวยกันออกไปทำหน้าอิสรภาสิฝ่ายตรงานม่หมาดีดีเรื่องตัมีกงิน ลูกคุณหายจะมาเจ็ดสิบคนรีดขับยัง่อคนอนจะถามดูเหรอมเย จะถามอดทนทีเดีาก็กิกันก็ปม่ปจเดเป็นาสไม่มีโอกาสขณะนี้คนามเนารก็ใจางนกจับราี่ออกมาจะเขชิงตัวเป็นนายเเท่านีหลองทจมโอยุหาหนุมาถึงทำเข้าทุัวชาเป็นใส่ปืนก็จะกระาไ จนโหโนผมเป็นนคนโนพ่อหลวมดัดอยนีนจองจำเช่นนั้นก็หันโหนเป็นที่รษเป็นไงแล้วก็บ่าว่าอานี่ชาวมาดึ่มาทำโรหหังตัางตัวเป็นใหญ่ดูด้ยยำเอวีย่หนนี้โหนแล้วนี่เกียนี้กับนี่เขาลอยลอยกขึ้ว่าวันนี้ท่านถึงที่แล้วนี่ถูกมัดอย่นยังเน มีทำาน แ, แก้ตัวไปละเปคนแหนความกูโม เ, น ก, เ น, ออกนกำวังก็้บาว่ายเปนข้อยาบช้าปรก็ามฝ่ายจงโหรกสั่งให้ทาหารขเาตัเป็นมานคลัสนได้แ่จุมาติและก็พาอีโฉนกับเพื่อนเข้าไปในเมืองเสฉวนและก็ถึงให้ริศซับซึงซึ่งขวานกูโ้โมทั้งเป็นแหนซึไงบว้ในทั้งหมด และทำให้คนก็ขับมานม่หนักดิจนหัวซีดละทำหน้าน่ะจนหัวอึดละดิฉันทนไมรที่จะใสำรู้ดิทำหนนจนหัวก็ดิใจสำรู้ว่าจะกลัวหรอว่าศาสนาเราลู่ขาดตัวนี้เราต้องสมปรารถนาทุกประการ จงเวรกล่กาวดังนี้อยมีในขุจวักวัดสานของทื่อข้าพเจ้าเห็นพระเจาสาปวดหัวควท่านความชอบทางนึงก็มักนาบุตรองท่านก็คนต้งหาความชอบนี้หนาสื่อถึงใจำ้ำใจ้ความชอบสื่อ น, นขอยกให้บุตรท่านทรมานความชอบเถิ น, นิสาพ้นการมาทีานี้กับราคมาออกตัวหรือเป็นศูนก็ได้สำเร็จยชนแล้ว จะทำแผนื้อไอกให่าัน้นวัวราอาาะบบอัมสสบรคาาการด้ต่อไปอให้มากดชื่อวบบไว้กคำว่าใหญ่หลงคำนี้นเาานาสหรับมดตีัาวเื่องั่ ความถนจะคิดการไม่ใหญ่หลวงต่อผู้ที่มากดชื่อวันอันจะรักความเย่นจะเป็นม่ตรบัดจงโวยยังจะไม่อยุดตารจงโวในจหจงโวยหยุดจิตจะดูใจทั้ออกแต่งโวบอกไม่ยุดจงโวยก็ถือว่าท่านมีความปราถนานดังนี้เขจะเจ้าคอยว่าสมณะทามากดีถึงวรแลว บัด น, นี้นนนแผนที่ทุกคนกพร้อมถึงท่านจะคิดสิใดก็จะสมเร็จคอยร่วมคิดทำแผนตามแผนซึ่งข้าพเจ้าให้แต่ท่านมันเถิดจนโหรฝ่ า, ายจนะุน ย, ยนุ่ว่าฉันต้องน้ำใจตนยืนนะดูตนมาฟ้าหันมาแการอันใหญ่หลวงก็ตกดูวรรคอวิโยและก็จิตว่าถ้ามีสุรจาสิใดก็รู้อาัต้องใจเราทุกประการ และแต้มไปจนโฮมก็คุณสาหาดีกับพี่ดีพี่จะทำการมินทั้งวั น, น, น, น, น, นกั้งคืนนิดเดียวคืนนีคนหลอกเหอุเล่นสื่อไปถึงเุกอยางเล่าเสว่าเพราะเ อ, งอ็งมุช า, ากัรนพรไทยนทรมานมามู่ก่อนเถิข้าพเจ้าจะคิดแก้ไขเอาเร่อวจะมาคืนให้แต่เพราะเอ็งยสด้สัวนั้น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 รถขี่สับขนบเงมาเาาร์มมีหัวมันก็เป็นหลายครั้งรถโดยเอปนแทัพใหญ่นำสืบพาัพเข้าฟื้นมีพวกือดอยู่ก็เป็นแครั้งรถดิบหิ้วไม่ประ o บผลบาดิบจุนงูให้สัตว์ปั d ญาทำลายศาลที่กลงธรรมะได้เห็นนี้แล้ว ทำลายเนเนน ส, ง ห, ส, ง, สงหน้แล้วและแบบนี้ยันอื่นกำนันจะทำลายสซนโฮลต่อไปแล้วคุณฝ่าส ม, มาร์ทเยส ม, มาร์ทเดียวแต่คนท่ไม er, ่สนใจเซนโฮลแบานี้เราไม่ความที่จะ เมื่อว่าจะไปำกำจัดตัวหญ่นั้นจะไม่สะดวกึงยกกองมาตั้งรออยู่ น, นเมืองเพียงอันถ้าราชการขาดเพียราชการใบก็ใหบจะยกหารวิมาช่วยมีสบมาซียวมาอย่างนี้นเจ้าโจรก่นนี้ผมได้เฉลิแล้วใบสามสองเจนาโจรเขปรึกษากับจีนีกทีหนึ่วามาอีกต่อไป ก็รู้ดีว่าเรายกมาให้นี่และเหารก็มากเกินไงให้ถึงสองสาเท่าคือใหนมาหาตลาดจินยกทหารหมนมาใต้ประทับลังอยู่เราชาลอ ย, ย, ยาารรชูมาเฟียมหาตลาดจะต้องมีความสงสัยมีไว้ใจเราจินยกหานมาสกัดไว้ทางนี้เราเปล่ากรนะหรือม่านผ บ, บน้ใดังหวะ กลิ่นก็จะไว่านกลิ่นใจนั้นก็ชอมเขาจะมักคิดเห็นว่าเป็ธรรมดาไม่มีความสงสัยเบาเท่นี้แล้วก็ย่งมีอันตรายมาถึงันดันคนหรือหปุนใงนั้นก็ถึงจะความตายขอท่านเร่งรำลึกดีเถ อยู่อินไซไฟเข้าไปอย่างนี้เลยจโงโด้วยฟันจะิงว่ทานว่านี้ชอบไหมเราต้องผิตรพันธมิตร จั น, นิ่งคอยฟังอยู่ชันนี้ต้องการอะไรเราก็จะคิดทำแทนต่ อ, อไปตั้งตัวให้ได้ดีคุมนิยออกมาเลยตั้งตัวให้ได้แม้เดยสหวัสดุก็จะได้รักกบเสริมมาทำให้สมดุลชีวิตก็จะกลับเข้ามาอยู่ในเมือ ส, สวยอย่างเล่าตีเท่านี้จะไม่ได้เจีย่ยวที ยืนยืนที่กใบางนี่ขอใหแต่งเปนสีหอมควันรวยไทยเฮาปุ่เป็นอากาศเหนือสีหอมพระเจ้าย์ใมาถึงานทัพหลวงว่าชีมาเดียาควัจะติมมันจับเอพระเจ้าโจมหมอให้หยเสียชีเอไปจังท่แกดีนจึงเดรัความเดือดร้อนจนทั้งแดินก็่นี้ ขอถามวัตถุนิพพานเป็นการมีสมองขุนเจ้าช่วยกันคิดอ่านกัน มาสู่มเกียวเซีเมื่อวาั้เมื่เมแล้วแต่ว่าให้ปรกาไว้ให้ น, น upp. ท primo, ี bike, שוב, yes, ่อำเาอมัญปัญญาวามคิดของท่านเดียเดกจะคิดอานก็จะได้ในอย่างแน่อกยกล่าดนี้วแผลชนี้คิดเองทํางิน้่อไปเมื่เดีจงโกเ็ก็จริงว่าถ้าเชนั้นท่ตนจงยกฐานเป มงนินสำหรับการแบ่งความปรารถนาเราแล้วก็จะแบ่งปันกันอยู่ให้เนสุขตามวาสนาของเรา ก็จะว่าตัวขบเจ้าจะตั้งใจนำการรากาสมองของท่านไดยแต่พวกนิสกุลนิสแกลสารของท่านจะม่เป็นกายให้ขบเจ้าบังคับบัญชาว่ากาวมิสิตการทีนถ่วงจนเหวอเข้จิว่าที่มารดยเดนแต่รุ่งขึ้นถึงก็จะเป็นวันถุบแล้วจะรู้นะแต่ฉัม่ดมาเสดุราให้ร้อมกันและเราจะว่า กล่าวใ่ใครามนี่ดูอยู่ประมาณครับไเคยบิกขาดถ้าูได้ขายเก็บขาหยอวยความี่ความยนดีพร้อมทุกเช้าจนโดเกันฮะทุกแ่านงเสุราทุกแม่ทุกแม่ที่ดูแลเสุราอยู่พร้อมกันจนจนโหตดก็ถูกจอบสุราแล้วก็ร้อง ท่านนั้นก็เดีวยวก็สงสัยก็ถามว่าท่านร้อนให้ด้วยอันใดจนโหยก็บอกว่าบัดนี้ท่านไม่เคยใครเอาหนังสูอมาถึงเราให้บอกแต่ท่านท่านอืน่น ก็ซมากียมีกำโรคทีการใหญ่หลาเจโจมอเสาธมาจจีเราจะสมัครต้เือเป็นใหญ่ขอาไม่เคยมีความกระตันมีกับเจ้าเชื่อกันกำจัดซูมาเียวเสเื่อนี้เราถร้องไห้เพราะมีใจเจ็บร้อนด้วยกับดินท้งียงก็เป็นฆ่าของเ้โจมอมาก่อนจะมีความเจ็บร้อนด้วยา จะทำตามรักใสหรือจะไม่ทำประการใดจนโกรย์กลาวยังนี้ที่แขนของยืนอื่นอาหารทั้งหมดฝันก็ตกใจแต่ก็ชวนกันอ้กมาทำไนสิ่งที่เราต้องหลังกันเราไม่้การอื่นซ่งของนอื จากการตีนักกอล์ฟบรรจุการ ก, ากา อ, อกล์ฟเบื้องตอนนี้ คงอใช้ลมปากที่เป็นค่อยๆเบาๆการกระทำมาจนถึงปากมีรงอาหรทั้งปูทั้กัลุ็มาดิ้นรนเสร็จสิ้นเก็หหัวก็จัดแบบนี้ร้องป่กระจายอาหารทั้งหมดที่มันติดอยู่าผู้ใดแข็งแรไม่ทาตามเราจะตัดสาสย์นาหารที่เป็นเุ้งก็เต็อ มันก็สั่งเกิดตายว่าเขาจนโก็สั่งให้น้นาที่เดียวไปขังไว้สิไม่ให้ออกมาแล้วให้ทหานคนสนิดของตัวมาคุมรักษาอยู่อีกดก็ว่าแต่นโ่ละีกสิ่งคนมาทั่วนะครับทำท่นี้ก็ดีนะแต่ท้านเจ้าก็เห็นว่ายังหาสุจริต เสียนิดหน่กลัวอาญาท่านแตก็ฟังกระต่ารับทาไปเช่นนั้นหรอกขอให้ท่นเอากลัวมาให้เองดูให้แม่นอนก่อนถ้าไม่ขด้ข็งไม่เป็นใจบุ้งนะัก็ขอท่านุดหม้อตัฝังใช่จริงจะชอบอนี่จนกล่าวแม่เข้าไปช่นนี้กล่าวแมเข้าไปชช่นี้จนเจง่เราตี่กล่าวไปที่ชักเต จนโหรที่มีใจกันวล ค, คิดการใหญ่หลวงจะตั้งตัวดีว่าส น, นมี้ก็จะได้หลับสถึงไม่สาเร็จกับเข้ามาตั้งในดเินเสขุนอย่างรดจะไม่ได้เกี่ยวรอจนโหรทีจฉันนอบามีเียวแตงนีนเราเตรียมได้พร้อมคราอใ น, ในใจเลีย้ยงก็แค่เอาตะบอ พุต้งคอมันและสังเยขนาดนี้คเขียนส่ตรการหารของเท่าเหล็กที่มาอยู่ยกับ จ, จงจงหงใชสอยคุยเขียนเป็นคนส่งดินบั้นก็มีอความไปบอกแอกเท่าเหล็กที่ประทางเท่าเหล็กก็ร้องไห้ก็จีบว่าตัวข้ามีเรื่องอะไร ก็นหโวยเองแและที่การขบถึงถึงนี้สงสารแต่เราเขียนมุดเรามุดพายม่อมีไอ้ผมระแวงไนมแนวคิดถึงคุณเราแต่ผมหลังจึงช่วยบอกัต่ดูเราด้วยเถิดถึงแม้เ้าจะตัวาจะตายก็ปานแต่ ขุนเจียก็จึงว่า้พิ่งจะปาลงเลยอีกข้อนเข้าไปเจ้าจะคิดก้จัดให้สัตรูให้ถึงแมและขุนเกียร์กกับมหาโจงโหรในความคุ้มคับเีกขุนเจียรก็ว่าแตเจงอรว่าซึ่งท่าดานท่านก็ต่งงางกเมองว่าวังนี้ผู้ใดจะส่งข้าวปลาอาหารก็หาไม่เข้าไปเจ้าผมเ่าจะอดข้าวปลากันสักสิความที่แต่ที่ใดที่ใีก็จำเก่าด รับข่าวปลาอาหารให้่นงานข้างบนนั้นจึงจ็ดชังจงโฮด็กฟังเห็นชอบเียก็คิดว่าาแบนั้นคุเียนติก็ท่านจงไะเปิดปลาจำกับมืยาพนักงานข้างบนี้เอะคุณเกียรติไ่้นก็ทำมาแล้วก็มาอยู่กับพนักงานข้างบนตามที่จงโีสั่งคุเกียรก็มีโอกาสได้สื่นงานเหล่านี้ พออาเบกินได้ยิงกันไปได้นในที่คุ้มขังคร่องไฟเท่าเลย le, ก็ตักมือเอาโมยิตมาเขียนเป็นสื่อละซ่อนให้แกครูเขียนคููเขียน ก, ก็ใช้คนสนิทหรือวิสูรออกไปแจ้งแกเข้าเกียนซึ่งเป็นหนุกของเขา an, เลทาเตียนแก้เห็นสือละมันความว่าจงโห ทุกการกำเริบขบออกมีเฮาออกเทียนีุดเทาเลยแจ้งเลก็เป็นเรือ็กนั้นนะครับนายกอมาปรึกษามาครับนายกองทันความเมตตาขวัญจนกบฏก็จึงว่าตัวเราก็า่าทหารโด้ทาการสงครามมาก็หลายครั้งมาสวัสดีเจ็บตายด้วยความสัตย์สื่ก็ดูกระเสิบกว่าจะเป็นฆ่าของเจนโฮล ผูมีใจกำรู้ขบถเทนิสต้องการอานใดเราทั้งดวงจะก็ทาากําำตามอำนาจของจนโวยเราทั้งหลายก็จะลอยเป็นขบถปรากฏทขี้ทั่วตัวไปเรืยเราจะั่วเป็นอาการใหญ่นนใ น, น ท, ที่สดนี่านท้งดวงฝันโกรธทนจนโฮยเป็นอำนาจชนี้ขบถนันมีกลิ่นอุอนกลิ่น จะเป็นไงเป็นผง่ได้มีสวนซึ่งเป็นผู้กำกับกองทัพเป็นสองฝ่ายเนี่ยมีสวนกนเลเนี่ยทกม่่านต้งวจสอบทุกข้อทุกประตัวเราก็จะรับคำแกรที่เสียงเฮาดื่ก็จีบมาถ้าดัา ง, างนั้นท่านทั้งตัวจะกล้เรีนารไพร้อมทุกหมวดทกกองเถิดเราจะรยกข้าไปคำแก้ด้วยทันที อย่าให้ทันธตัวแล้วก็เลยคนถือหนัสือเขกตาเข้าไปบอกแต่เฮาเล็กกุศลดีดารู้สึกไหมคุณผู้ชมอย่งง า, างนี้คุ้ชว่าบางนีเราเราเรียนการพักใน้ร้อนดีแล้วจะยกเข้ามาทำกายชีวิตทั้นทั้งทีแม้เราจะย้นเข้ามาถึงแล้วเมื่อใดที่เพลนขึ้นในเมืองเป็นสำคัญ ครั้งต่รุ่งขึ้นเช้าก็ไหนทีนี้ เ, เข้ามาอ่ามีตงวยเขาฝันนะครับเอาอะไรเข้ามาแต่ฝันในบคิดนี้เราฝันว่ามีอสรรกายมักขบกับเราเอารอตัวเ น, นี่ยมีมีจะร้ายดูประการไดเชื่ามั่ทำมาลีแต่เราให้แจ้งอื ถ้าเป็นดาวองามฝันทะมงนี่แต่เขาก็ว่าก็จะต้ประสบพบวาอะไรก็หวากันไปสิแต่ทียอย่างไรย น, นี้นัก็ทำมาทีเดีว่าซึ่งที่ น, นี้ก็าอาสรอกพิมาขบตัฉั น, อ, นอันนี้ก็อาสรอกพิแล้วมันก น, นี้ก็หมายถึงกัน ทั้งสองประการนี้คือสารพิจารณกรขั้นตัวนี้นขึ้นเชิเนี้จะทาการใดก็หวังแต่ความสาเร็จจะสาเร็จสมความปรารถนาเป็นไท ย, ยมองคนกับทัานนี้จะได้มีอันตรายสิ่งใดหาไม่ได้ไดีกันอีกทำไมแต่กจะประสบความสาเร็จยิ่งความคูมีความเินดีนะุจใจตน การใหญ่ยุ่งคความปรารมาของเราจะสำเจริงเหมือนที่ทำมาเป็นมั่นคงจนหมกล่าด้วยความมั่นใจจุณดูขึ้นมาซึ่งท่านแหน่ขึ้นมน า, นาเ็เดมาดางและในวันวางมรมะเพอลงใจด้วยกันเขาบเจ้าผนว่าถึงจะลงใจดบี้ยวแต่ก็หาสิจิตมา จะเอาไว้เป็นเสื้อหนามมิจ n c ก็หาต้องการไม่นี่ังยินเขา่เอ่อเต๋อางไ้เนยจะห้งใจเลื่ยยอมเหิเลยถึงจะเป็นเชนั้นก็ไม่สุจริจะเอาไว้เป็นเสื้อหนามมิก็หาต้อการไม่เรืองเท็กินกระการใดท่ก็มีปัญญาพิจคอัยสิ้นพฤติการแล้วท่าพาเชส่อสิ้นทีเดีย จะมีคนว่าขีแต่ตรูก้กระยยทั่ททงเียนอกรณ์ฉันและเบพร์พิแคเปลี่ยนอื่เจอใจเนียจนโผน่เชื่อถือเป็นดีมนะโดยเฉพาะคำว่าทฤรฎีาาการใดขัน้นกว่ามีปัญญาพิเคราะห์เห็นอยู่ที่ทุกประการแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ผู้ที่จะคิด ก, การใหญ่ายมันก็จำเป็น ต้องชำะสะสระฝ่าศาเสี้ยนน้ำที่ปวงเสื่อให้สิ้นนะมีจนหดด้วยความกริ้วว่าดังนี้กนชอบเดืยทีเดียวก็คือว่าถ้าแต้มมนทุน่จนคมเอาหารเกงของเราไปจับตัวคุณนายทัพปวงเรานั้นไปข้าเท้สินเถอะดีก็เดรมาหน้าที่นีมีถือพร้อมที่จะร่างฐานที่ทุปวง คี่เันดตนะุ้งเสยรฉลินน่ะเกมรุกก็รับทำขึ้นมาหาฮัานนี่อมาทีเดียวแต่แล้วไม่ได้เกิดอาการอยากโดนขึ้นกับเกมรุปัจจุบันเียคลิกตวอาการคลิติด น, น, น, นี่ไม่นออกขึ้นมาเป็นกำลังอากา ร, ท, ารกที่เกิดข้ทำเดียวกับกมุกเฉลินติดออข้นเป็นกำลังเลยหายจไม่ออลไม่ได้ พบดุกระหล่างมาจึงมีเกิดอาการปฏิวัตโรคอีกอย่นี้ทหารตระเวนก็ตกใจเขาไปช่วยกันพยินเพียง ม, มีบรรลุเซนแก้ไขก็ค่อยคลายขึ้นในขันใดนะก็ได้ยินเสียงทหารเฮาเกียงและทหารอี๋สวนที่ร่วมที่ร่มการต่อสู้กำจักเจนงมดเลย เสืทาร เ, าเราจ e ึงขึ้นโผล่รองมีเงินกดดร้งมีเข้ามาทาาั้องฝีงจึงมีนั้นจว่าเป็จมโผล่อะเสือทหารโลออ่ร้องมีเข้ามาทังนีนน้นี่จะรอนี่ก็เป็น พ, พวกของคุณแม่เรานี่เป็นม่อนคนณจำจะต้องฆ่าอเรานี่เส้นก่อนจะเอาไว้ดได้จึองมีว่าไปทำเด็ดขาดครับแสงโคมกุ้ ตึ๊ดโถมขึ้นสี่บานทหารก็้ยึดกูกันมาถึงข้นมาจนเวอร์ทหางกู้ขนมาแล้วก็ตกใจจุดสกที่ดีใช่ไหมแล้วกู้เห็นชุดฉันบอกฐานเฮาเทียนแหละฐานอูสยวนกู้ติเรล้อมเข้าไปใช้ไฟประการเดียวเท่านี้แ่ะเป็นสำคัญจนเวอรกู้ขด้นไปตัวกูก็เป็นา กวนตัวแลวะคิดเกี่ยกความตายอยู่ก่อนคมากม่จนหมดคิดแล้วก็พอดกระบีออกไล่ฆ่าฟันออกมาทีเดียทหารเผ่ายีนตายไปประมาณเก้าคนสุ่ขั้วทต่รนับุญลก็ช่วยกันย้อมจนรวยทวะและที่อยู่ห่างก็ใช้เก้าทันระดมยนมา จนหดจนโน้มนลงตาอยู่กับที่นั่นเองและทัดเอาเขียงที่อยู่ใกล้กดวาเท้ากระเบืตักฟิสสาจงหดไปเลยจงดผู้พิการใหญ่เหนือฟ้าตักฟิสสาเบาๆไฟเขียี มาีอร เ, เนี่ยเนแบบ น, นี้การมันกลับกลายเป็ช่นนี้เพวันก็โหมเมื่อยร้อนออกมากินตัวนะฮะกระดีออกจากฝักเจ๊ฟันฐานที่ร้อนไปอกม า, า, ากแ้ขยับตัวจะออกไปเท่นั้นแหละอาการจุดแน่นที่หน้าอุก็ต่นข้นถึงต้องสุดตัลงถึงก็ที่อบอกมาใหองเรา าจของเราคิดไว้ก็ตลอดแล้วแต่ด้วภพยดาไม่ได้โปรดให้สำเร็จโลจะแกล่งมาหานชีวิตเราเพื่อในครั้งนี้ระบิดนี้ดูว่าสนาหาไมา่แล้วจะอยู่ไปใหญ่เดินอูนกต็โกรธมาดังนั้นแล้วก็ต้องเอาตัวบีนแหละเชื่อคอตัวเองตายเพื่อใหพันใด้มันเลย สูชีวิตไปอีกคนทีนี้เรามองไปที่เสฉวนจะมีใคระที่จะพูดบางลังให้กลับคืนมาได้เอาละเย็นตายคือด้วยการจุดแม่นกนอเี้ยนะครับมันเป็นอาการที่สาหัสอยทีเดียวล่ะจนกระทั่งตัวเองรู้รูตัวว่าทำอะไรไม่ได้แม่บรรดาที่นา้นทั้งวงที่โนโวตกะขังแล้นี่ะ โรยีนอุ้ยยิ่งนะแม่นอนระคายก็ต้องโกงว่าเกียรติอุ้ยเลยยุยงจนเว้ยก็คนหาตัวเกียรติอุ้ยก็ไปพบศพเกียรติอุ้ยเ่าปามปางโกยินนะนี่ก็กำลีพาโอออกก็หงาหงาเนี่ยหงาหงาเกียรติอุ้ยเนี่ยหักมาโ มี่หันหรือยี่ยี่เศยี่หันตัดโตคาโรคจะโรเป็นโรคดีสร้างาต่ดเสกบริโภคงานปลายทางภาษาสมัยใหม่ ทหารของเป็นงายสิเห็นการยุ่งวายกันขึ้นดับนั้นเนี่ยแลคนยจะจะุ่งิดตามแบทีเรตัวเปงไงล่ะทหารของเปงไงา็จะแบีตัวเปงออกจากที่คุ้ขันนี่กวนผู้กมกับก็ปรึกษาับเป็นฟกชื่นคนสนิทเเนี่ยราคิด่ามีหมายจัว เ, เองถาทา้าโดนตินดามบีวป ต่อไปเป็นไงก็จะทำอัตวายแกเราเรื่อนี้จะให้พยายากเราเป็นมั่นคงด้วยเหตุนี้เราจะคิประการใมีกปึกษากเป็นศพฝ่ายเป็นศพนีกเป็นอดีเป็นงมาก่อนมีควาพยายามกันอยู่ได้ทีนี้แล้วาา ก, ก, ก, ก็กิ น, ก น, าากนล่ว่าวข้าเจ้า จะขออาสา ท, ท่านคุณทหารตามไปข้าเป็นานายเสเออียีวาทีจะท่านาาสุดปลายมีความนก็ดีในะก็พิเเปินสกคุณทหาห้ารอยริดตามไปข่าเป็นานายเสือในทางบั ขึ้นหนานวกจเหับอีตแล้วนั้นามนงปงก็หาให้ใบังคั บ, บัญชาหนี้ได้นีบเ่ันีใครเป็น ย, ยัเมือนี้ใครควบคุม่นี้ทุกเกจจาจนแย่งชิงข้าฟันกันเองวุ่นวายทีเดียวหีเฉยเฉวนก็ก็กระทำข้ามันกันเองขึ้นข้าฟันกันเอง เบลเอกนายฐานใหญ่กับมือของเบลอีกคนก็ถึงแก่ความตายในครั้งนั้นเดมีเชื่อสายเบลอีกคนแต่ไม่รู้ชื่อมามเเอก็ตายเดือดในการประวตจนครั้ง น, นี้ครึดูมาประมาณ2วันพบตาอเดืวกกองทับมาถึงก็ได้ขับราบราบนาประชาปราดอนอังให้สงบเป็นสกติแล้วก็ตั้งแต่นี้วเนี่ยเป็นใหญ่ รักษาเงินสวยฉนอยู่แล้วก็เอาตัวไปเจ้าเราเสียกับเวินเขียนเตียวเสี้ยวเตียวจิ๋วขยนห้าคนี้ไปเงินกกอนนี้รบกนานท่าทานนทนนท่า่าน่านท่า่านทาน่ท่่านท่านา่านท่า่าาน พร้อกั้ น, นัญ ก, ก็เอาส่งไปีกนนีล่าวฝายกอง้ต่างกเียม ม, ม, มีนไงม่ามาช่วยอะ่ะเียกวจะมากันอะไรกันน่งระยะทางมุกล น, น, น, นบานหนาเ็อหองเ็หงคกองูา่างๆสิ่งจะยกมาช่วยจูกระเทีย ม, า ม, ย ก, มาการยกลาทางด้นก็ีย่าโศกชวน เสียไปก็เสร็จแล้วกองทัพเรากองทักแต่งแต่ซุูแต่ซุนยูรส้แค่ซุนยูซุน่กองเมืองเฉลิมเฉลิมกับเการเนี่ยเหมือนฟันกับปากและมืเมืองเฉลิมเฉลิมเสีย no ู่มาเดียวนี Guy ้แล้ื่อูมาเดียวแค่นเพียงผมกจะต้องกมาทำร้ายแต่การฟันยรอเพมั่น ก็ดเ่ลบาเป็นลักสู้น้ัเองนู้ดันองทัพ 72,000 องเลาปี้็แต่ก็จชีวิตโลกสู้ไปแล้วมวามยให้ลบไปกินโดยคมหาออกเ่รารักษาด่านทานทุกำ ต้องรวมป้องการโควิ เ, เองแล้ออกฝังการฝังเกีนแล้วออกสังการปอกปลาให้ซดีสู้รักษาอยู่บนลำซีเกณฑหฐานออกพืชอฟแนอ่ากิจการท่านพ่ อ, ด อ, อลดเกณฑ์ฐ น, น, น, นไปตั้นขายรายยุตามริมแม่น้ําูกัง300ันสามร0อยอยู่ถือ่ายรายก็ได้300า้าหวังที่จะคอยป้องกันกองทัพมมีโก และก็มอบหมายอำ น, นาจให้กับเป็นหองเนี่ยเป็นนายไทยตัวกลากำทับกำชาทหารท่านตันวคนนีเ้เพื่อจะวาเสียงบริเพจะวาปีตกกลาวไปนี้โดยรกระสับเพื่อเกิดจากอกขุนพลอยู่ที่เล่นดินที่เมี ผู <emás> ้สูงนี่ดกิดทำดีใส่คนเลยแบี้ก็ปนอย่างนี้ก็เยกเป็นงานปรจํานัวมาาวมเตรียมอนุมาเกมัาังเตรียมอนกเขาไปทํานาชุมาเียวุมาเียวพาหารและก็เ้าีลมามโกันถึงเมือุมาเกียวก็ไินว่าแกเจ้าเหล่ียล่ะ ตัวท่านเป็นคนนิยีหาสติปัญญาไม่ได้เสกกระสุรวิโดนำพาจิจการม้ากเลือนทำให้แผ่นดินฟั่นเฟือนเสียไปจนอนาณาราคารรัศดรักความทุกเนือร้อนหนังนี่ควรนะชอบแต่กระปานชีวิตเสียจริงจะมีมีสมารถ วิ่งมาเอาอย่างนี้อเอาตัวมาด่าเล่นอย่างนี้แค่เจ้า เ, เล่าสียนกนะ็าสาเหตุชวนไนะด้ฟังชิมาจิโอ ว, ว่าเช่นนั้นนะมีความกลัวเป็นกำลังหน้าเศราเลแลแ ล, แล้วก็หมองนิ่งดูคุณแม่คุณงกดชวนกก็ไปขอโทษว่าชนะิมาจิก็อดุยกกนะ็ิ เพอราะเจาราเสียเ่ยเป็นที่อ่านลกโก้นองขุนนางเป็นอ ห, นหน่งเงินเท่นั้นเองประทานหญิงมแค่ให้ร้อยนิ้นแค่อย่งมีเินักเงินพอเป็นน้ำมาแล้วก็ปัญหาติดตามมาด้วยเนะี่ยให้เป็นขุนนางตามมคุณไลจากถุ่นฐานบ้านเรือม่อยู่ตามประเทศนี้ทุประการของที่แพ่ก็ริมมามาเป็นเจ้าสุข ด, ดีไหมดี ก, กุกเนี่ย ก็เล่าสิ่งเมื่อได้ลับความกนมาจากสุมาเทียวเช่นนั้นคือไม่อถึงตายก็ห้ามซุมาเทีวแล้วก็พาการลาออกไปยังที่ที่ซุมาเทีวจัดให้อยู่ขณะนั้นซมาเทีวก็ปรึกษาพวกวีโวครัที่แต่คร้งเป็นงข้าเมืองได้นั่นนะก็จัดพวกวีโ่ได้แล วีโร่ให้ชิงห์นถนิงมาได้ต่ตตางๆนานาประการจะที่เดียมมาแล้วเดยก็มีประชุดซ่ อ, อนแต่บาริสตินมากเกียงแค่ติดษารโทษวีโร่เป็นคนชักชอนเจ้าถ้าไม่เสียประโยชนีแทนดีคนที่นี้ก็เลี่ยงไว้ี่าก็ฟังให้ผานเอาตือไปทำโทษกัด ป, มปัมือตัดปนแล้วก็เวงเรรอกเมืองแล้วก็หาเสีย เอ v o, วีโว่ทนโทษตายกับสวยๆได้แต่ยังไรก็ตามบางังคับกล่าวานะครับว่าตอนนี้เขาดุกอนบอกกันเป็นทียิงละก็แปลว่าวีโวก็คงจะมากับพวกกิตูว่าถูกป้อมาเรื่เนี่ยมากับพี่เจ้าราเสี่ยเนี่ยก็จรงไหมที่มาเจอับตัวฆ่าใช่ไหมเอาเขามีรอบู่ได้ครั้งนี้แต่ครั้งนี้ไม่รอบไม่คมอูกฆ่าตายวิโวกันทีขันมาวัน ตนนีแต่เราพบกล่าวไดว่าทางด้านเสฉวนก็จบสิ้นไปหมดไม่มีตัวไม่มีตนแลไม่มีใครที่จะเห้ืออยู่เกาะดูเสือฉวนได้ละแค่ดูมาวานันดูซูมาจิโอได้เจอด้วเจ้าเหล่าเสี่ยงเนี่ยขับกินต๊ะและให้ีงานเต้นราต่างๆคุณงานที่ดวงซึง่งมาด้วยคือเจ้าเหล่าเสี่ยงนั้น พาคนนี้กลมมาเป็นทุกเป็นร้อนอยู่หาวิธีกร ะ, ะจาย่ิะดูการละเล่นเส็นรมเหล่า น, นั้นมาก็แม่สิคือเสียบ้านเสียงเยงืนออกมาดีเป็นเฉลยเขาอย่างเนี้จะให้กระจายมีสุดไม่ย่างไรคุณนายทั้งผู้เป็นเช่นนะัแต่ถ้าเจอเหล่าเสี่ยงนะั้นินดูการละเล่นบินพายรุ ง, รงนึ่เป็นฝูกดีทีเดียว เหรอริมสุมาเกียวม น, นก็ตีแกล้งถามว่าทุกวันนี้ทะเลลึ ง, งดี่วยหรอเจเราเสีกะอบว่า้พเจ้าด้มาว่าสนาของที่ก็เป็นสุขอยู่หาได้ลกท่บ้เนเรองหสุมาเกียวได้ฟังคนหนู่ไวไ้คน็นึ่งจัเจ้าเราเสียงกินโตเซฟิาเสร็จแล้ว ก็กมลังลาซูมา เ, าเกียวขนาดนั้นขับงก็ตามข่ขาไปวาดแต่เจ้าเราเสี่ยงลับเหตุใดพระองค์จึงเจรจาแต่สุมาเกียวชนะหาขีดไ ม, มา่ถ้าทีหลังอยากไปกตีโตซูมาเกียวจะถามใหม่พระองค์จนแกล้งทาร้องให้แล้วก็บอกว่าลราถึงมีงเสียชสุอสมาเกียวจะได้มีใจกริมา แสนก็แคเรากลับบ้าเรือนขับเตียงต้องต้องต้องไปสั่งสอนให้อย่างนี้ตังแต่นั้นมาก็าจะรบกวนกัดทค่อยทำขับเตียงไว้นเนี่ยแคนะี้สามส่วันูมาเกียวก็เาจจะเต่อว่าจมาตีโตอีกแล้วก็ถามอีกอะว่าทุกวันนี้ทูกที่จะแค่กลับเตียงเสรเฉยหรื เจ้าเหล่าเสียงจำคำถักจิ้งทิ่ฝังสอนได้ยุคก็ยกม้นปิดหน้าร้องไห้แต่ภาว่าน้ำตาหาได้ออกมาคือคือกใจนี่ไม่เด็กเป็นผู้เป็นร้อารอลเลยจังก็สังก็สอนได้ได้ก็ร้อไห้าอย่ะแต่น้ำตาก็หาออกใหม่ที่มาเจอยิ่ห่ื เคล็ดใบ้พูดกันเดยนี้ยึงมาอง้อกให้เสร็จหรอล่าแล้วก็เดี๋ยวมือไปดินนี้้วกเจ้เราเสี่ยงออกจากนะกแต่ไม่ได้เ็นดีนต่าเห็นนะแต่ะกะ อ, อยู่แตเจ้าเราเสี่ยงมันอดสูะใจยิ่นะอับอายที่จริงวา่าภาพพิมพที่ขบจอกลั บ, บไปมึนเสียเขียนก็จะได้ไปยม่ไม่เห็นดูแลก็เต็มใจอยู่ ซิมาเียวลังน้ำวเม็ดฟันก็จะ เ, เสงหวาบางนั้นกล่ำดินไว้มีดาก็กลัวการะระสิทุกคนซิมาเียวที่ิดทิชชู่ก็ะจะหลับเสียงนี้เป็นคนโผลเข่าหาปัญยามีไดตั้งแต่นั้นมาซิมาเตียวก็ดีใจดีความร่ยแร ง, งใจแต่อย่งางใดครั้งที่เอหลับเสียงพิมโตแล้วก็กำลังลาซิมาเีวออกมา ทมานกั้งวงก็ปรึกษากันว่าสุมาเกียวหมาอุปราครานี้ทาการด้วยเมืองเสฉวงเนียมีความชอบมั้ยควรที่จะเป็นที่จริงข อ, องชอบที่เราทั้งวงจะเข้าไปกราบทีความชอบของหมาอุปลาคุณนาทัว้วึกษากันได้นี่ละก็มากันเข้าไปถือพระเจ้าเกียวนพระเจ้าเ ก, เกียวนก็เนชอบเดย ตั้งซูมาเดียวให้เป็นผีจีนองตามคำารึกษาของคุณมาซูมาเดียวมีกายกำเริล้ะและก็คิดว่าแผ่นดินนี้ความจริงก็เป็นของซูมาสูผู้ผีของเราได้กร็ทำได้ยากหนสุดนะและบัดนี้สูมาเอียนซูมาดูบุของเราสองคนนี้ก็จำารวายวดอยู่แล้ว เรอจะตั้งแต่ให้คนใหญ่ได้อันชีมายเอียนที่ผีนั้นรษณะก็มีว่ารสนาผมก็ยาวถึงปีนมือก็ยาวฟันก็ขาวปัญญ า, าพาดีเสียวเจ้หลหักหลักหลวนแต่เพราะว่าไม่ฉบใจเราคนจะตั้งให้เป็นใหญ่นบัณฑิตกบิบได้แต่อัญชมายเอียนพี่น้อง ซูมาสูพี่เราน้ารักใครเอาซูมายูเรื่เรามีเรยเล่นดูแต่น้อยมั้นซูมายูไม่มีใจสักซื้อมั่นคนดีคนทีจะตั้งให้เป็นใหญ่สูมาเดียว ค, ค่นี้แล้วก็ปรึกษาคุณนานสังวีจะตั้นซูมายูเป็นเจ้าชีจูคุณนานาสังวนก็ถว่าท่านจะตั้งซูงมายูเป็นชีกูนั้นมิชอบ ดีขึ้นแต่วามบิกไอเกิดมาตอนนั้นก็เพราะกล้าพอพี่ใหญ่มาเป็นพี่นองกาอี่มอ้อที่เ ป, เป็นพี่ใหญ่ไม่ได้ทำตามขบถตำเนียมโบราณครั้งนี้จะมาตั้งน้องให้ใหญ่กว่าพี่นั้นก็ะจะมีเหงื่อเลือดที่มาเจอไดฟังที่ น, นางตะดูงวาดดังนั้นก็เห็นจริงก็จิงจามต้องตามชื่มาเลียนให้เป็นเจ้าชี่ตู นั่นคูมาวันนันแหละเมีความเขาเ้าแจจบสุมาติว่าแบบนี้เขาบอเจะไปยินข้างูว่าที่เมื อ, องโซงลู่ป่วนนั้นว่ามีคนลงมาจกสวรรค์สูงสีวาฝากตีนยาวสองสอบหนึ่งสูงสีวา ตาปียาวสองศอกมีอเหลืองหงเหลืองผมขาวเมีขาวถือไม้เท้าเที่ยร้องประกาศไปรอบเมืองอยอกเป็นเจ้าแต่มนุษย์บอกคนนวให้รู้ว่านี้ฝ่ายกันนี้เจ้าจดูมาเปลี่ยนใหม่อนนาคะบ า, านทั้งดองใจเดินเป็นสุขอย่าฟ้ารเลคนผู้นั้นบอกดีจนั้น เพื่อนสามวันแล้วคนที่นั้นก็หายไปมีมีขวามารายงานที่นี่ชื่อมาเกียวดึกดืก็มีความยินดีสำคัญเตืยว่าจะได้เันเจ้าผ่นดีนออกปากมาพิมาก็เกิดเป็นลมจับลมลมกับพี่เลยีึเกิดปฏิมาณเป็นลมลมลงไปเลยคุณนายก็ืช่วยก็ไปถามว่าท่านเป็นประการใด ชีมาเทียวก็พูดไม่ออกอาการหนักเชไยวโดยเฉอกะหน้าเอามีชีมาที่ชีมาเย็เท่านั้นหล ะ, ละชีมาเตียวก็ขกใจาตายไปในรรยทำไนั่นเองอเทุงกนายท่านจะแต่การศพให้ตามประเพณีฝ่ายโฮิ้งปรึกษาแ่นายท่เอียว่าอจจะการานมแต่ ก, กอนก็สิธธกษายูแต่เจ้าปีบ้อง ดุสิตที่กษูมาเจียวมั น, นจะาีอองก่อนนะบินเมื่อไรก็ควรที่จะยกจาก่า ข, ขีตูขเป็น ข, ขีตีอองกษูมาเจียวที่บิีด้เถอะอืแล้วก็ให้โคเตเนี่ยเต็มที่มหาอุปราคาเราก็ตั้งให้ขุมนนทั้งดวงเป็นขุมาน ข, น, มนขึ้นมาตามห า, า, ามาสเมื่อสังเกต คือชาวันมิงกินองคือสุมาเอียนหลักดำนี่อนี้มานเป็สุมาเอียนแล้วสุมาเตียปาจะลง่ายเหมือนกันเหมือนเกียมีแต่ปางจะเล่นง่ายสุมาเตียวจะป่าจะเลง่ายเอาชาวันมิ้งกินออีคือสุมาเอียนเนี่ยเข า, าเดืกาอิาานซื้อเขามาแล้วก็ถามว่าอันโตโถก บ, บิดาของเราเนี่ยครไหนจะมีโอกัน การอ่านจนังสือก็ติต่อว่าอันโจโฉนั้นทำการท่งเตียวมีความชอบมากกว่าจิงแต่เพราะว่าอนาประจัรสมบรหารักสนิทหมที่อยากรวจจะทำฉันบอว่าต่โจผีที่มเงินหลอกก็ยังเรีาค่าสิที่ดที่ไย้ก็เป็นเครื่อง น, นอยู่คือมีเสษโฉมีการตันอั น, อ ก, อนก็รจะกล้าคิดคือสมาที่ยังหล่บ อันรายการของท่านโดยทำการมากนานะักน่าราบกี่เสียสิ้นดีๆเป็ น, น, นมากและอนาคตคาร์บอนก็รักไข้สนิทธรดาของท่านเราก็ยังสั้นได้มีเสฉียครั้งนี้เกี่ยวียนกับที่ยงเกรง ม, มากที่จะเอาโจโฉมาเกลี่ ย, ยนี่นันผลไกลกันน่ะในการมีสิ่นปลอมตัวนี้ ทอ่มาเหีนก็จิงวะแต่กองแผนดินนี้ก็เป็นของพระเจ้เยียนเต๋อโจ้าเจ้าคิดอ่นทำการกจัดเถอะที่เราก็จะสมัครของพระเจ้เยียนเเป็นของตียบา่มว่าเราเนี่ยจะเอาก็จะสมัคของพระเจ้าเจวียนเหมือนอย่างเจน้นบ้เนียจะมีได้ยังไงมีซีมาเหีน ยังไม่ได้กระทำบันไดร็ยัไม่ได้ปรากฏว่ากการบอย่างไรเลยที่เจ้าถหมักเลยการอินดีสีก็ตอบว่าที่เว่านี่แอบแล้วฉิ่ จ, จที่ีนจะถมาให้เจเยือนนั้นก็เหมือนกับเชื่อแกแคเมอแต่พระเจเยือนเตอ่านทิศคี้ก็ต้อง เ, เดืกระเพนียงดินอยู่แล้วดินของคือขีมาเยียน แต่ฟังการวิ่ซิ่งว่าดังนั้นก็ทำเรืองมันใจนะความวิ่เชาก็ถือว่ดีเขาไปใลยวันนี้ฝ่ายพระเจ้าเ ก, เกเวียนก็กล่าเข้วยเการบ้านเมืองทุงรายทั้นตัวการแต่งตั้งจีนอองอ่า กินองตายแล้วก่อนเด็แต่งตานคมเีอะไรเนี่ยคุณยศแมงนอนามไม่สบายท้อไทยเกิดขึ้นในเจ้าตัรนมาหลายวันพอวันนั้นเสด็จออกนั่งอยู่โอ้จกินอคือีมาียงเี่กระบี่เดนเขาไปถึงข้างในเพื่อนกหนนะและตัดเอีมาเอียง งานดิฉันควรยืมของที่คุณหมายเหาดูอีไม่เป็นสมบัตมันเี่ต้องเตีิบทไว้กปัญหาที่เนีเลยกร่าสั่ย่่ มันเป็นญาหวานคิดทานตืนท่านบิดาท่านทำไวาให้เราันี้คือกินหลังที own, ่พูดัไปล้วขใจเรื่องที่เอ็นดิบอย่างนตรรมดาสอตั้งการทานไเลยจาว่าที่จานฟ้าบริเวณโลกก็บิดได้สาบานพี่เป็นหนุ่มเื่อกแตันชิ ความนันเรนีอ่ัที่ยีเป็นาต่ากันทีก็ีเลยือันนียังไม่รู้ที่จริงๆเรอ้ค่าแต่ผก็เอี่เป็นที่ไ่ใหญ่มากก